ญาติโยมก็เช่นเดียวกันจิตธุระหน้าที่มีการงานมีก็ต้องทำให้ศักษาไปในระยะที่เรามาอยู่อบรมและมาปฏิบัตินี้ตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบผ่านมาแล้วเป็นห้าวันหกวันเข้ามาแล้วกันเราได้ปฏิบัติให้ติดต่อกันไม่มีวันที่จะ ละเลยเรื่อไม่ขาดช่วงไม่ขาดสายว่าอย่างนั้นก็ได้ปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่วังหวอย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจดวันวราอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ต้องเป็นพระอรหันหรือพระอนาคามีเราไม่ต้องพูดแต่ว่าทำให้มันเข้าใจทำจังหวะซ่าๆแล้วก็รู้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 ควรไปทวนมาไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมแต่มันคิดให้คิดอย่าไปห้ามข่มคิดมันเกิดปีติตามตำราว่าปีติความดีใจหรืออิ่มใจพอใจเนี่รักใครเป็นยังไงความปีติอันความปีติอันนี้มันดึงเราออกไปให้มันไม่รู้รูปนาม น, นี่เองมันจะไปอยู่อารมณ์เมื่อมันไปอยู่กับอารมณ์ก็เลยไม่รู้รูปนานมเมื่อไม่รู้รูปนาม น, นานนา น, นานเขาก่อน เศร้ามองขุนมัวไปบัด น, นี้เรามันคิดคิดอักขเล้วไปเรามาทําความรู้สึกกับรูปนามให้มันรู้รูปนามนี่แหละรูปนามจึงเป็นหลักอันนี้มันเป็นหลักทิ้งไม่ได้รูปนามต้องให้รู้อยู่เสม อ, อวิธีปฏิบัติอย่างนี้แต่ให้มันคิดห้ามคิดไม่ได้เหมือนกับเราขุดบ่อน้ําหรือขุดน้ําบ่อเนี่ยขุดบ่อน้ําหรือน้ําบ่อเนี่ยขุดลงไปทีแรกมันไปเจอเอาน้ํา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 ไหลออกมาแล้วก็มากวนหรือมาคนมาล้างปากบ่อฮะน้นํามันจะล้างตมล้างเลนที่ปากบ่อนออกแล้วก็ต้องตักออกวิตออกน้ํามันใส่ไม่ได้มันยังสกปรกเนี่เมื่อตักออกวิตออกแล้วจากสามครั้งสี่ครั้งเทขาเด็กก็ตามเนี่ยจนมันใสจนมันสะอาดบัด น, นี้มีอะไรตกลงก้นบอ่อเราจะเห็นทันทีอันนี้สมมุติพูดให้ฟัง อันมันคิดนั่นไม่ต้องห้ามเหมือนกับตมเลนให้มันคิดถ้ามันไม่คิดมันจะเป็นอันตรายหรือมันมึนหัวหรือแน่นอกแน่นใจเน่ยให้มันคิดแต่ละาทำให้มันสบายไม่ต้องวิตกกังวลอะไรรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้บัดนี่ยเราต้องรู้กับรูปน้ำนี่มันเป็นรูปเป็นน้ำเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าอารมณ์ของรูปน้ำเน่ยให้อยู่กับอารมณ์เหล่านี้วรกลับไปกลับมา เราพูดในใจอันนี้เป็นลูกเป็นน้ำเป็นลูกทำนานธรมเป็นลู ก, ลกโลกน้ำโลกเป็นทุกขังอันนี้จังอนัตตาโอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสมมุติเราก็รู้สมมุติจึงมีมากสมมุติบัญญัติปรามัติบัญญัติอัธญญอยาบัญญัติอริยะบัญญัติสมมุติถือเทวดาเหล่านี้เป็นสมมุติคนในบ้านกำนันเป็นสมสงององสมุติอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าก็สมมติแต่สมมุติบัญญัติขึ้นมาเราต้องรู้จักตรงนี้ อย่างที่ท่านตั้งพระครูเจ้าคุณพระราษพระเทพพระธรรมเนี่ยเป็นสมมุติแต่เป็นสมมุติบรรจักจริงให้เรารู้เท่ารู้ทันรู้จริงๆเรื่องเหล่านี้เรียกว่ารู้เท่ารู้ทันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะไปตำหนิไม่ได้ทําอย่างอื่นไม่ได้รู้แล้วก็แล้ไปเราต้องอยู่ในใจเราไม่ต้องติดเพราะเรารู้แล้วจะไปติดไปเก้อเขินทำไมทีเทวดาต้องรู้ให้หมด รู้ให้หมดให้ครบให้จุกให้ท่วนรู้แล้วไม่ต้องทำลายหรือว่ากับข้าวเปลือกเหมือนข้าวเปลือกกับข้าวสารข้าวสุกนี่เองที่หลวงพ่อพูดให้ฟังข้าวเปลือกนั้นเอาว่าเป็นพันธุ์มันเท่านั้นเองกินไม่ได้แต่ทิ้งข้าวพัน์แล้วไม่มีข้าวสุกกินนี่เราต้องให้รู้จักอย่างนั้วันนี้จริงข้าวสุกแล้วเอาข้าวสุกเป็นพันธุ์ไม่ได้แน่ตีอย่างนั้นอันนี้รู้อย่างนี้แล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนา รูปบาปรูปบุญนี่รู้อยู่ในวงนี้ทั้งหมดนี้เดียวอารมณ์รูปนามให้ทวนอารมณ์อันนี้แล้วก็มันคิดมันก็แล้วไปเมื่อรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับอารมณ์มันให้ทวนกลับไปกลับมาไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมี่ให้มันฝังแน่นหรือแนบแน่นอยู่กับความรู้สึกอันนี้แต่มันคิดขึ้นมากลับมาทําความรู้สึกเดินจมกรมมันก็จะเดินเร็วเพราะว่ามันไปตามอารมณ์มากพันจังหวะมันก็จะ ทำไวขึ้นเร็วขึ้นแต่เราพยายามทำให้มันรู้จุดตัวกษฟาไปบางที่เขาหลงไปเข้าไปในความคิดว่าไวขึ้นมันจะเพ่งอันเจ็บหัวมึนหัวเจ็บหลังเจ็บเอวหรืออาจเจียนนะ่ะอย่าไปคิดอื่นกามันมันมันแสดงเองมันรบกวนเราเองคือตัวกิเลสนั่นแหละมันกลัวเลจะไปปืดมุงดูหน้าดูตามัน มันก็นเลยมาทําเอามุ้งขั้นมันไหมหรืออะไรปิดไว้ไม่อยากให้เรารู้นี่เองเราจ้องถามศาสนาใช้เวลานานก็แล้วไปหากว่าการเปิดอบรมครั้งนี้มีคนพูดให้ฟังหลวงพ่เ ข, เข้าใจว่าอันนี้แหละพวกเราได้จะิญลอยตามพระพุทธเจ้าจะเิญลอยตามพระพุทธศาสนาทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้าจะเิญและมั่นคงต่อไปหรือว่าทําให้หลักพระพุทธศาสนา จะเลินมั่นคงต่อไปถ้าหากเรารู้ทุกคนมาที่นี่ล้วก็ต้องมีสมาธิให้เขารู้เหมือนเราถ้าหากคนใดรู้มากขึ้นไปบบนี้ก็ต้องรู้ปรามัดต้องแนะนำเรื่องปรามัดให้มีคนรู้เห็นรู้ตามเห็นตามอย่างที่เราพูดให้ฟังว่าพุทธานุพุทธังสามารศีลาทิถิ่งเนี่ยผู้ตัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าเลยมีศีลอาทิติเสมอกันกัน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 ปฏิบัติไปกับการทางานทุกประเภทอันนั้นได้ว่ากําลังทําการทํางานกอให้เราดูใจเราบัดนี้มันคิดอะไรเราก็ดูใจเราการเคลื่อนการไหวรูป ก, กายภายนอกนี่เรารู้อันนี้เป็นรู้เบือเบ้องต้นรู้เบื้องต้นก็รู้ขึ้นไปตามขั้นเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปอย่างที่หลวงพ่อพูดให้องฟังว่าปฐมมาสาน ท, า ท, านาทานุติยทานตติยท า, านจตุททานปัญจมาสานมันจะรู้ขึ้นไป ไม่มีโอกาสที่จะถอยหลังถ้าหากเราเป็นคนจริงถ้าเป็นคนไม่จริงแล้วก็ถอยหลังนี่เองเาเรียก อ, อุปปะธรรมโมอะปุปปะธรรมโมนปาริหานะธรรมโมอะปาริานะอะปาริหานะธรรมโมนเจตนาภาพออนุโลกและคณะภะบุคตุสโนโคโตลภูนเราจะหนีได้เนาะโคตลภูลนแปลผู้หนีจากความเป็นปุถุชนเข้าไปสู่ความเป็นอนริยบุคคลทันวัน อ, นะนอย่างนี้ตัมลาท่านทอยอันนี้แหละ วิธีที่เรามาปฏิบัติก็รู้จึกว่าถ้าหากทุกคนเราทันการอย่างนี้ทุกปีทุกปีก็ได้แต่ไม่ทําทุกปีก็ได้สำหรับทัพนี่ควรเป็นของทุกคนไม่เป็นของใครเลยเพราะว่าเปิดแล้วใครมาเวลาใดก็ได้มาปฏิบัติตัวเองเราต้องการอยากมาก็มาได้แต่ไม่ต้องการอยากมาก็มาก็ไม่ไม่คุ้มค่าเลยอย่างที่เรามาที่นี่อันนี้พูดตาม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 ไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนกับเราอยู่ในห้ามนั่นเองแบบัดนี้จะมีเทวดาองค์หนึ่งมาเปิดโลกแล้วก็ท่านอ้างถึงพระพุทธรูปอิฐหินดินปูนเหล่านี้แหละแล้วก็พระธาตุอยู่ที่ไหนก็ตามจะเหาะไปรวมกันที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เหาะไปพระพุทธรูปและธาตุเหาะไปไปถึงที่นัดหมายกันแล้วก็รูปที่เป็นอิฐหินดินปูน แ, แตกไป ที่เป็นพระธาตุน่ก็แตกออกไปเป็นไฟไหม้ทั้งหมดเลยและบัดนี้พระพุทธโลกจต่ละองค์นั้นพระธาตุแต่ละองค์นั้นจะมีดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่พระพุทธโลกนั้นไปเกาะหรือไปแทรกซึมในจีวาอย่างไรก็ได้เท้ากับเล็กนาวันนี้จะรวมตัวกันเข้าเป็นรูปของเจ้าสายจิตถาอุมานเป็นรูปพระพุทธเจ้าของเรา มาแสดงทำให้ฟังเจ็ดวันเจ็ดคืนคนใดมีปัญญาฟังแล้วได้เป็นพระอาหารหันต์ทันทีคนใดไม่มีปัญญากอนลงมาก็เป็นพระอนาคามีคนใดมีปัญญาต่ำลงมาก็เป็นพระสักติพาคาคนใดมีปัญญาต่ำลงมาก็เป็นพระโสดาบันบุคคลคนใดมีปัญญาต่ำลงมาก็เป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดานี่เองหลวงพ่อได้ทาบุญได้ให้ทาน ให้รักษาสี่นึกว่าให้ไปเกิดที่ตรงนั้นอยากไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าถ้าหากเรามีปัญญาขอสมคนรและขอที่ได้ดวงตายเห็นธรรมทั้งไม่มีปัญญาก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังเอาไว้หลวงพ่อตั้งใจว่าอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คล้ายๆกับพวกเรามาเปิดอบรมหรือมาฟังธรรมะจากาครูบาอาจารย์หรืออย่างที่หลวงพ่อพูดนี่เราก็ต้องปฏิบัติไปตามครูบาอาจารย์เราก็รู้อย่างที่พูดแล้วเมื่อกี้นี่ว่า มีคนรู้อย่างน้อยก็ต้องสิบกว่าลายอย่างน้อยนะเดีย่ยวพ่อได้สัมผัสหูหลงพ่อเองพระก็มีเนร์ก็มีโยมก็มีพูดให้ฟังว่าได้รู้ลูกลู่นามหลวงพ่อก่อนแนะนําให้รู้ไปจนจบอารมณ์ภักต้นแล้วก็เรื่องทางจิตใจใดยัยยงไม่พูดถึงเราต้องปฏิบัติไปปฏิบัติไปอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติไปเพราะตัวเราเองเป็นคนปฏิบัติ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 เราได้พบแล้วคําสอนของพระเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเราต้องมั่นใจในต่างกระทั่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อนะข่าวนี้หลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมมาหลวงพารู้ตอนเ้าเรื่องลูกน้าหลวงพ่อรู้ก็ใจเดียวท่านั้นเองแต่รู้มันรู้รู้จริงๆนะไม่มีคนพูดอย่างนี้หรอกหลวงพารู้รู้จริงๆรู้แล้วไม่หลงไม่ลืมรู้แล้วหลวงพ่ออะไรเลอะ เลิกการจากเลิกละจากการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วหลวงพ่อเลิกในวันนั้นคือว่าทําดีไว้ให้ลูกทําทุกไว้ให้หลานทําดีทํำยังไง ท, ทําถูกทําอย่างไงเราต้องแนะนําเขาให้รู้จั ก, จกสมมุติสิ่งที่สมมุติเราต้องแนะนําเขาลูกลูกห ล, กลา น, ลา น, ลานเขาจะได้จดจำเอาไว้ทําดีไว้ให้ลูกทําทุกต้องไว้ให้หลานเราทําทุกต้องแล้วก็แนะนําเขาทําจังหวบบ้าง ดังเท่าลที่เราฟูซาดอกไม้เทียนสองเล่มก็หมายถึงตาสองตาหูสองหูนะลูกหลานมันสมมุตินะกลางวันไม่ต้องจุด ก, ก็ได้หรือจะจุกก็ได้ก็สอนเขาเราฟังถ้าท่านเทศท่นสอนเมื่อพอแม่ไอ้น้องสอนเราต้องฟังตาจต้องดูตาดูท่านกี้ท่านทํำยังไงท่านทําดีหรือทําชั่วเราก็ต้องดูพูดให้เขาฟังเขาก็จันได้ใช่นหม อันนี้กลางวังก็ใต้ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นยางไงทุบสามเล่มดีนะลูกหลานทุบสามเล่มจุดลงไปได้มันหอมหมายถึงการทำดีพูดดีชิดดีแล้วก็สอนเขามันเป็นสมมุตินะแนะนำเขาเขาก็รู้จะไม่ต้องทิ้งและก็ไม่ต้องติดอยู่สิ่งเหล่านั้นจะเข้าเปลือกเอาไว้ให้พันมันเราต้องรู้จางนั้นอันนี้เราไม่ได้สอนกันเลยหลวงพ่อเองก็ไม่เคยสอน ทำมาอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่ไม่สอนเมื่อมารู้แล้วหลวงพอ่อสอนเลยมันเป็นสมมติแต่ไม่จริงนี่เราจะว่าทำดีไว้ให้ลูกทำทุกไว้ให้หลานอันนี้เราพูดแต่ไม่ทำดังนั้นพี่พวกเรามาจะรลยวิปัสสนาภาวานานในครั้งนี้ก็ต้องจดจาไปไว้แล้วก็เพื่อลูกเพื่อหลานเราเพื่อพี่เพื่อน้องเราแนะนำให้ลูกจับจริงๆ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 เรียกว่าเราเนี่ยมาจเจริญรอยตามตก็รู้ตามเห็นตามรู้จริงตามควมเป็นจริงเนี่เรารู้จริงจริงผีคือทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเทวดาดีพูดดีคิดดีแต่ตอนแนะนำเขาอยากเป็นผีหรืออยากเป็นเทวดาทุกคนต้องการเป็นเทวดาทั้งนั้นแต่เราให้รู้จักความเป็นเทวดาอยู่ที่เรานีเอง ดังนั้นพอแม่ปู่ย่าตายายเคยพูดเคยสอนให้ฟังว่าการศึกษาธรรมะต้องศึกษาที่ตัวเราพ่วงสอกงาววานาคืบ น, นี้มีพร้อมแล้วให้เราศึกษาได้ทุกอย่างทันว่าอย่างแต่เราไม่เคยศึกษาที่ตรงนี้แต่เราไปศึกษาที่อื่นคนจึงว่าไม่รู้จักคุณดีของงามไม่รู้จักค่าคุณของสิ่งของตัวเอง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 คือว่าตัดทั้งหลายคือเราจะถาคตรเลยตัดทั้งหลายเหมือนเราจะถาคตรตัดทั้งหลายเป็นตถาคตหนึ่แต่เราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มีทิฏฐิมีความเห็นเหมือนกันเราจะลดมานะลดทิฏฐิลดความเห็นแก่ตัวอ่อน น, อน้อมท้ามตนรู้จั ก, จกเคารพนับถือพอ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรอย่างนั้นหลวงพ่อมันเป็นนิสัยเดิมๆมาแล้วเลยหลวงพ่อเคยฝึกมาแล้วี่ยเป็น อ, อ, ยอย่างนั้น อันนี้เราไม่ไปยังนั้นหลวงพ่อเองก็เป็นแต่ว่ายไม่รู้เขาหน่งพ่อตายนี่หลวงพ่ออย่างน้อยเอาเอาผ้าขาวไปว่าเอารอยตีนี่ไว้เอามาไหว้ไหว้รอยตีนนี่มันเข้าใจไปไหมวันนี้ก็เอาแจ้งฝักเข้าให้พอกินนี่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นเคนเท่าคนแก่คนหลายคนแจ้งไปให้ทานจิตก็เห็นเมืองวันไปตอมเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้กินเลย นี่มันเข้าใจไปอย่างนั้นนานๆมาบันนี้มีความเจ็บไายได้ป่วยไปดูหมอหักไม่ตั๊บๆไปแล้วพอแม่มาทําให้เจ็บหัวปวดท้องเนี่ยอันนั้นเป็นการใส่ลายป้ายสีไม่ดีเรารู้จักแล้วเราก็เลิกได้หลวงพ่อเลิกตั้งแต่วันนั้นแหละเครื่องรางของขันก็ตุดบนยันโหนกเลิกได้จริงๆมันเป็นสมมุตินี้หลวงพ่อกําลังทําจังหวะหลวงพ่อรูบๆน้ําแล้วก็น้ําตาจกหลวงพ่อ เขาหลวงพ่อโ ง, ง่มากที่สุดเมื่อว่าเจ้าของจะเรียนมณฑลคงขังศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปเรียนอคูบามาอมทุลีทุลีเถอนขอกูมีแทร่งทองกั้งพลาเถอะนหน้นาผากูแก้นปันหินตุ้งกูแก้นปันเหล็กเถอะทนขนแข้งกูทอน้าําคาวขนขากูทอขนเมน่นกูจัดเต็กไปได้หอยนต์พันวาพญามนต์ทางไหนเจ้าหมักตั้งบาบังตุกูเถอนเศษเสด็จเอาโอ้นหลายมันยาวนี่หลวงพ่อเรียนมามีเงินอิสะด้วยนะ นี่ขันห้าขันแปดขันสิบสองหุ่นเด้วเอาเงินใส่มันมูลุ้เรื่องขอตัวเองไม่มีอะไรตอกใจเลยหลวงพอ่อเนี่ยอันนั้นสําหรับคนที่ยังจิตใจอ่อนให้เขาเสื้อไปก่อนแต่เราพยายามให้เขารู้ของจริงแค่เขาถือแต่ก็ตามมันแต่พยายามแมนะนําให้เขารู้เรื่องรูปนานนนมนี้นลวงพ่อก็เลยเลิกเลยไม่กราบไม่หวแล้วกระจดมันอย่างนี้ก็เลิกเลยเพ้งเลยเป็นยังไม่จ่ออมาแขนขอให้มันหนักเนี่ยหลวงพ่อเป็นยังไงถ้าองค์หนึง่งคราวนั้นน่ะ พระองนั้นดีที่สุดขังศักดิ์สิทธิเลยท่นเขาปืนยิงไม่ออกเลยโอ้โหซื้อเขาแปดลอยข่าวนั้นมันจะถูกนะแปดลอยบาทนะข่าวนั้นกลางเกงตัวนึกสิบสอสตางค์เท่านั้นเองหลวงพ่อก้าวชื่อแปดลอยบาทเพราะมันขังศักดิ์สิทธิ์บ้านหมารู้อันนี้โอ้ยจะไปที่ไหนเอกไปเถอะหนักหอเนี่ยแหละความดีที่มีอยู่ในตัวเราเราไม่เคยเปิดเผยแล้วเนะี่ยจะเปิดอบรม เปิดเนี่ยเปิดของที่คว่ำเปิดของที่ปิดเนี่ยหงายของที่คว่ำหน้าไขาออกมาให้คนเห็นเนี่ยเปิดอบรมบาเนี่ยอบรมกับเปล้ยวที้แนะแนวทางให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจแต่คนยังไม่รู้ก็จำได้อย่างที่หลวพ่อพูดเนี่ยอย่าไปใส่ลายไปสีพ่อแม่เราตายเป็นทีแล้วเป็นสัตริย์ไม่เป็นก็ตามเรานี่แหละพ่อเราเรล่านี่แหละแม่เราเรล่านี่แหละคือพระพุทธเจ้าหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้น ทำไม่พอเราแม่เราเราเกิดตนไม่เต็มไหมไม่ได้เต็มเลยเกิดกับคนมันต้องเป็นลูกคนหลวงพ่อพูดอย่างนี้เคยพูดบ่อยๆให้เข้าใจถ้าไม่มีพอ่อมีแม่จะเกิดอะไรเราก็เกิดไม่เต็มเนี่ยคนแล้วเข้าใจอยังงั้นเข้าใจจริงๆหลวงพ่อเข้าใจอย่างาจจงี้อองโอ้เราเกิดมาเนี่ไม่ใช่คนแล้วเรามาศึกษาให้รู้จักความเป็นคนอคนีความเป็นคนมันอย่างนี้เข้าใจาเรื่องของคนมันสับสนวุ่นวาย นี่เราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราปฏิบัติตั้งแต่ต้นให้มันจบเรื่องชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าหากไม่ศึกษาเรื่องนี้หลวงพ่อไม่รู้คนอื่นอาจจะรู้แต่นหลวงพ่อไม่รู้หลวงพ่อจึงนําหลักการ น, นั้นมาไว้สอนจริงๆหลวงพ่อทําการสอนอย่างนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วเพราะว่าต้องการควมจริงอันนี้อันนี้ยอมเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอาวัยวะยอมเสียอวัยวะพราะรักษาชีวิต ยอมเสียกระทั่งชีวิตเพราะรักษาโมจริงคนอื่นจะชวนพูดเรืออร่องอื่นแต่หลูงพอไม่เอาไม่พูดด้วยแต่พูดไปแต่หลวงพ่อไม่มั่นใจเรื่องนี้หลวงพ่อมั่นใจทาจริงๆเพราะหลวงพ่อรู้อย่างนี้ตอนรู้ปะลาหมั น, นหลวงพ่อรู้ตอนเย็นระยะป่านนี้แลหละหลวงพอพอพาบน้า ม, มามันคิดหลวงพ่อไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยเหมือนแม่กับหนูแม่ตัว น, น้อยๆหนูตัวโตนออกมาแม่ไม่เคยกลัวหนูเลยจับหนู หนูมันตื่นบิงไปเลยเนี่ยเรารู้รูน้ำมันตื่นขึ้นมาเหลือนกินตีติมันก็เลยฟึ่งไปกับปีติคือดลงพ่อมาพูดให้ฟังบัดนี้ตีติเข้าไปแล้วกับรูไปลูไบัดนี้เราไม่ต้องพูดเลยเรื่องอื่นเอาอาหารให้แมวกินแต่ไม่ใช่อาหารคือความรู้สึกหนึ่งหละให้แมวแมวคือตัวรูนั่นเองมันกินอาหารมากเพิ่มมากขึ้นหนูกออกมามันจับตึ๊บย่างแหลมแมวจับหนู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 ปรัมมัติคือของจริงของแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันนี่หลวงพ่อพูดอย่างนี้คือเรารู้เราเห็นเราเข้าใจเรื่องวัตถุนี้เองวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนี่วัตถุปรมัติเป็นของจริงอาการสภาพเปลี่ยนแปลงได้หนักเป็นเบาไม่เป็นสว่างเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเข้าใจน้ำหนักหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดไปบ่ายร้อยกิโลหลวงพ่อคิดว่าตีน้ำหนักตัวเองไว้ร้อยกิโล เมอเอาโซ่มาพ่วงคอเจ้าของนี่ไว้โซ่หลวงพ่อเคยตะโซ่โซ่บอกพ่วงคอเจ้าของนี่ไว้หนักยังไม่รู้เลยแต่ก่อนพอดีเอาโซ่ออกจากคอตกฟุ๊ออกไปเลยน้าหนักร้อยกิโลไปลบไปเดียวแปดสิบกิโลยังไงกัเนี่ยเหลือยี่สิกิโอ้อเป็นพระได้แล้วนู่งกางเกณงอยู่ในข่านั้นนุ่งกางเกงขาสั้นขายาวเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวทางนั้นเป็นต้นสมเพอทั้งนี้เป็นสมพันธ์ เดินกลับไปจะมาหลวงพ่อเป็นพระแบบพระแบบนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งหมดเนี่ยจีวะสิห้าสิงแปดสิงสิบสิงสองร้อยสามร้ดีแล้วแต่มันยังไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นสมถานเอาที่ไหนหรอกสิงจริงเป็นเครื่องกำจกัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิจริ ง, เ, อ ง, องรปญญเป็นเครื่องกํจาจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดจริงๆอยากให้เรารู้จักจริงๆเนาะถ้าไม่รู้จักจริงมันจะเป็นการพูดอวดดี มันไม่ใช่ดีๆเอามาพูดให้เรามีดีในตัวเอามาพูดจริงๆแน่นอนจ้าของดีมีอยู่ในตัวคนทุกคนไม่ยกเว้นเอาแหละที่หลวงพ่อได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตและจิตใจในวันนี้ตอนเย็นทํามัดเย็นก็เห็นว่าสมควรเกินเวลาแล้วท้าย<ช>ที่ทสุดน<ช><ช>ี้<ช>อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำช่างสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสักิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญรอยตามเรือมปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นให้มีสติกำหนดรู้ในเรียบทั้งสี่ยืนเดิน น, น, น, น, นั่งนอนท่านั่งไปยังไม่พอและให้มีสติกำหนดรู้ในเรียบท ย, ย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีเด็กขอให้รู้อันนี้พระพุทธเจ้าบอกแล้วบอกอีก บอกแล้วบอกอีกเราไม่เข้าใจตอนนี้มันก็เลยไม่รู้ดังนั้นขอให้ทุกคนทุกคนจนได้ประสบภเบนี้เอาอเรื่องจิตใจสะอาดจิจจจจจดจจตใ จ, จสจจว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติจิตใจฟ้่องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างในทีวิตนี้